สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตข่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหาการุณามีพระพุทธดีการตรัสไว้ว่าลักษณะแห่งสัตว์ทั้งหลายคือหญิงชายชาติสัตติรัชฉานจะย่างลงสู่คันย่อมมีสันนิบาตประชุมพร้อมทั้งสามประการคือบิดามารดาพร้อมเปลี่ยนกันประการหนึ่งมารดามีฤดูประการหนึ่ง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 ก็นับในสันนิบาตสามประการมีเนื้อความอย่างเดียวกันกันกบที่ว่ามาในก่อนอัตมาจะวิสัญนาเหตุผลให้ฟังกิระดังจะได้ยินมาทเวตาภาษาอันว่าพระดาบททั้งสองอยู่ในอารันราวป่าคือพระทุกุลดาบทและนางปาริกาดาบสินีพระดาบททั้งสองนี้วิเวกาทิมุตตา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 ดุกระสมเด็จอมรินผู้เจริญท่านอย่าได้มาว่ากล่าวเช่นนี้จะได้ชอบใจเราทั้งสองหามิได้ส่วนสมเด็จเท้าสหัสนายเทวราชอนุกรรมปิโกปรารถนาจะ อ, อนุเคราะห์การุณิโกประกอบด้วยกรุณาอัถกามโมปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่พระดาบททั้งสองก็เข้าไปตักเตือนเหมือนดังนั้นถึงสองครั้ง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 ดูกะระอมรินที่ท่านปรารถนานี้จงสำเร็จดังใจเถิดตัวเรานี้ก็วิตกอยู่ว่าจะไปบังเกิดในตระกูลอันใดจะไปเกิดในอันดชชกำเนิดหรือหรือว่าจะไปเกิดในชลามพุชักกำเนิดหรือว่าจะไปเกิดในกำเนิดเป็นสังเสรชาประการใดหรือว่าจะไปเกิดในอุป ป, ปาติกะกำเนิดประการใดใด แต่นึกนกอยู่ในใจฉชนี้ก็พอเท้าโกสีอาราธนาสมเด็จอมรินทราธิราชจึงมีเทวบัญชาว่าข้าพเจ้าขออาราธนาให้เกิดในชาลามผู้ชะกํำเนิดรังนี้แล้วสมเด็จเท้าโกสีกำหนดนัดวันที่จะบังเกิดและลงมานัดสัญญากับพระทุกุลดาบุตรกำหนดว่าวันนั้นเวลานั้นพระปาริการะดูจะมา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 ครันว่าบุคคลคขมนาการเข้าใกล้ก็ร้อนเป็นเปลวเพลิงเปลวเพลิงนั้นกำจัดเสียได้ซึ่งหนาวอาจจะห้ามมิให้หนาวได้เพราะต้องเปลวเพลิงชันใดสัตว์ลงปฏิสนธิด้วยถูกต้องตัวมารดาไม่ได้เสพอัจฉาจานั้นก็เหมือนกันกับคนผิงไฟฉะนั้นใช่แต่เท่านี้สัตว์จะลงปฏิสนธิด้วยเหตุสี่ประการคือ กรรมะวะเสนะด้วยสามารถกรรมประการหนึ่งโยนิวเสนะด้วยสามารถกำเนิดประการหนึ่งกุละวะเสนะด้วยสามารถตระกูลประการหนึ่งอายาจนะวะเสนะด้วยสามารถนิมนต์ให้เกิดประการหนึ่งเป็นสี่ประการที่สัตว์ทั้งหลายเกิดด้วยอำนาจกรรมนั้นประการใดอุศนากุศลมูลา สัตว์ที่มีกุศลมูลได้สร้างสมอบรมมากล้าหาญแม้นปรารถนาจากบังเกิดในตระกูลอันใดขัตาา ต, ขติยะมหาสารกุเลวาในตระกูลขัตติยะมหาศาลก็ดีพรามณะมหาสารกุเลวาในตระกูลพรามณะมหาศาลกด็ดีขหะปฏิมหาสารกุเลวาในตระกูลคฤรหบดีมหาศาลก็ดี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 อทโธมั่งคั่งมหาธโนมีทรัพย์มากมหาโพโคมีโภคขสมบัติมากปะหูตะชาตรูประรัชะโตมีเงินทองมากปะหูตะวิตูปการโนมีทรัพย์เครื่องใช้มากปะหูตะทันโยมีทรัพย์เข้าเปลือบมากและบุรุษผู้นี้แม้จะปรารถนาทาสังวาซึ่งฆ่าชายก็ดี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 สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิด้วยสามารตระกูลนั้นประการใดจัตาริกูลานิได้แก่ตระกูลทั้งสี่คืออันดชะตรกูลประการหนึ่งสังเสรทชะตรกูลประการหนึ่งชาลามพุชะตรกูลประการหนึ่งอุป ป, ปาติกะตระกูลประการหนึ่งสิลิเป็นตระกูลสี่เท่านี้อันดชะตรกูลนั้นได้แก่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 เพศพันธ์แห่งสัตว์ทั้งหลายที่ตายจากตระกูลทั้งหลายดังวิสัชนามานี้จะไปอุปัตนาการบังเกิดในตระกูลใดก็มีกายเหมือนตระกูลนั้นถ้าเกิดในอันดชชตระกูลก็ต้องเกิดแต่ไข่ที่เกิดในสังเสรชะตระกูลก็ไปบังเกิดเป็นสังเสรชะที่ไปเกิดในชลามพุชะตระกูลก็เกิดเป็นชลามพุชะ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 ก็นิมนเชื้อเชิญเทวบุตรให้จุติมาเกิดในตระกูลนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอันไปนิมนพระสมณะอันมีสีนั้นนี่แหละลักษณะแห่งคับภาวัันติคือลงปฏิสนธิด้วยอาราธนาเชื้อเชิญสิ้นใจความเท่านี้เมื่อพระนาคเษดถวายวิสัชนาเหตุปฏิสนธิสี่ประการแล้วจึงถวายพระผนว่ามหาราชะ